เรื่องนางสิริมาหญิงนครโซเพนีน้องหมอชีวกพระสัสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเวรุวันสวนป่าไผ่กรุงราชคฤห์ทรงปรารภนางสิริมาหญิงนครโซเพนีดังได้สดับมานางสิริมานั้นมีรูปร่างงดงามได้รับการแต่งตั้งจากพระราชาในตำแหน่งหญิงแพทย์สยางามเมือง นครโสเพณีประจำกรุงราชฤกษ์ภายในพรรษาหนึ่งนางอุตราธิดาปุณกะเกษตีผู้เป็นภริยาของสุมาณะเศรษฐีบุตรได้ว่าจ้างนางซิริมาให้ปรนนิบัติสามีแทนตนเพื่อปฏิบัติธรรมนางซิรีมาหึงหวงเศรษฐีบุตรนั้นแล้วประทุษร้ายนางอุตราแล้วขอขมานางให้นางซิริมาไปขอขมาต่อพระศาสดา นางสิริมาจึงทูลขอขมาพระศาสดาผู้ทรงทำพัตกิจกับภิกษุสงเสร็จแล้วในเรือนของนางอุตรานั้นในวันนั้นนางสิริมาได้ฟังพัตตานุโมทนาของพระทศพลบรรลุโสดาปติพลแล้วทรงตรัสพระคาถาว่าพึงชนะคนโกรธด้วยความไม่โกรธพึงชนะคนไม่ดีด้วยความดี พึงชนะคนตรณีด้วยการให้ปันพึงชนะคนพูดพล่อยด้วยคำจริงนางสิริมาครั้นบรรลุโสดาปติผลแล้วนิมนต์พระทศพลถวายทานวันรุ่งขึ้นเป็นอันมากแล้วได้ตั้งอัฐถุ ป, ปัตถาคือพัฒหารเพื่อภิกษุแปดรูปเพื่อพระสงฆ์เป็นประจำตั้งแต่วันนั้นมาภิกษุปดรูปไปเรือนเสมอ บรรจุพัดคืออาหารเต็มบาทเพียงพอแก่ภิกษุสามรูปบ้างสี่รูปบ้างนางถวายบิณฑบาตด้วยทรัพย์16กะหาปณ ะ, ะทุกวันภิกษุต่างพานน า, นาถึงความดีของนางภิกษุรูปหนึ่งได้ฟังถ้อยคำพานน า, นาเกิดความรักจึงเข้าไปสู่โรงพัฒต า, ารยืนคอยอยู่แต่เช้าได้อัถุปถากัพัดในเรือนของนางแล้วต่อมา นางซิริมาเจ็บโรคได้เกิดแก่นางวันหนึ่งให้ทาสีพยุงกายออกไปไหว้พระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายไหว่อยู่ด้วยสรีระอันสั่นเทิมภิกษุนั้นลาดูนางแล้วคิดว่าความสวยงามแห่งรูปของหญิงผู้เป็นไข่นี่ยังสวยงามถึงเพียงนี้ก็ในเวลาไม่มีโรครูปสมบัติของนางที่ตกแต่งด้วยเครื่องอาภรจกสวยงามสักเพียงใด ครานั้นกิเลส ข, ของเธอสั่งสมไว้ตั้งหลายโกธมีกำเริบแล้วมีใจจดจ่ออยู่เฉพาะนางเท่านั้นไม่อาจฉันอาหารได้จึงถือบาทกลับวิหารภิกษุนั้นได้อดอาหารแล้วในเวลาเย็นนางสิริมาตายพระราชาส่งสารถวายพระสัสดาวา่านางสิริมาน้องสาวมอชีวกได้ทำการละกิริยาเสรแล้ว พระศัสดาทรงข่าวพระราชาให้เก็บศพนางสิริมาไว้ก่อนโดยอาการไม่ให้สัตว์แท้กินพระราชาได้ทรงทาตามแล้วเวลาล่วงไปได้สามวันในวันที่สี่สรีระพองขึ้นแล้วหมู่นอนไตออกจากปากแผลแห่งทวารทั้ง9ก้าแล้วให้ราชบุรุษตีกลองโฆษณาให้มหาชนออกไปดูนางสิริมาพระสัสด า, สดาตรัสถามว่า ใครให้ซับพันหนึ่งจงเอานางซิริมาไปชนทั้งหลายนิ่งไม่มีใครรับแล้วทรงตรัสให้ลดราคาลงอีกใครให้ซับห้าร้อยจงเอาไปไม่ทรงเห็นใครๆจะรับเอาจึงรับสั่งให้ตีกลองโฆษณาว่าใครให้ซับรัพยหและลดลงไปเรื่อยเป็นสอง1้0 1หสหจนถึงหนึ่งกะหาปณะนะ หนึ่งมาสกหนึ่งกากระนิกก็ไม่มีใครจะรับเอาไปจึงรับสั่งให้ตีกลองโฆษณาว่าจงเอาไปเปล่าเปล่าก็ได้แม้คนหนึ่งที่จะรับก็ไม่มีพระศาสดาทรงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงดูมาตุคามอันเป็นที่รักของมหาชนในการก่อนชนทั้งหลายในพระนคร น, นี้ให้ซับพันหนึ่งแล้วได้อภิรมวันหนึ่ง บัดนี้แม้ผู้ที่จะรับเอาเปล่าก็ไม่มีรูปเห็นปานนี้ถึงความสิ้นและความเสื่อมแล้วภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงดูอัตภาพอนอาดูลดังนี้แล้วส่งตรัสพระคถาว่าเธอจงดูอัตภาพที่ไม่มีความยั่งยืนและมั่นคงอันกรรมทำให้วิจิตแล้วมีกลายเป็นแผล อันกระดูก3สามร้อยทนยกขึ้นแล้วอันอาดูนที่มหาชนครุ่นคิดแล้วโดยมากอธิบายคำว่าไม่มีความยั่งยืนและมั่นคงเพราะมีความแตกเรี่ยายและกระจัดกระจายไปเป็นธรรมดาโดยส่วนเดียวเท่านั้นคำว่าอาดูนหรืออาตุรังชื่อว่าเป็นไข่ประจำเพราะความเป็นสถานที่ต้องบริหาร อิริยาบถเป็นต้นทุกเวลาคำว่ามีกายเป็นแผลเราด้วยสามารถแห่งปากแผลทั้งเก้าทวารได้แก่ทวารตาสองหูสองจมูกสองปากหนึ่งทวารหนักหนึ่งทวารเบาอีกหนึ่งในเวลาจบเทศนาธรรมมาพิสมัยได้มีลาวแกสัตว์ 84,000 พันภิกษุแม้รูปนั้น ก็ได้ตั้งอยู่ในโสดาปติพลดังนี้แหละ